วันแรกนะที่สัมมนเณรมาทำวัดพร้อมกับหลวงพ่อพวกเรารู้ไหมศาลานี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรหอไตรแล้วมีใครรู้บ้างว่าหอไตรเนี่ยคือศาลาเนี่ยเดิมทีไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่เป็นที่ใหม่นะแต่ก่อนในหอไตรนี่โน่นอยู่บนเขาอ่นะแล้วก็ ขนาดก็เล็กกว่านี้เยอะเลยประมาณหนึ่งในสตรงถ้าเราพวกเราขึ้นเนินไปเนี่ยนะจะมีกุติหมายเลข8กุตินั่นแหละนะเดิมเนี่ยหอไตยอยู่ตรงนั้นแหละแล้วลเนินเนี่ยนะถ้ามองไกลๆเนี่ยเช่นจากกุดงงหรือถํามาไฟเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามัน ค, คล้ายๆกับหัวของสัตว์ชนิดหนึ่งรู้ไหม สัตว์ชนิดนั้นคืออะไรช้างมันรูปร่างเหมือนหัวช้างแล้วก็มีหลังช้างเนี่ยหมอบอยู่ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยมันคล้ายๆช้างหมอบอะแล้วตรงหัวช้างเนี่ยนะก็คือที่ตั้งของหอไตรอันนี้คือเหตุผลที่ชาวบ้านเนี่ยเกิอพอาะหลวงพ่อบุญธรรมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าสุโกโตเนี่ย ตั้งชื่อวัดนี้ววัดเอราวัณเอราวัณเนี่ยหมายถึงช้างนะช้างของพระอินทร์แล้วมันไม่ใช่แค่มีรูปร่างเหมือนช้างหมอบเท่านั้นนะมันมีช้างจริงๆอยู่ฝูงหนึ่งด้วยอันนี้เคยไล่ฟังเมื่อวานไปแล้วช้างฝูงนั้งประมาณสักสีห้าตัวได้การที่มีช้างอยู่แสดงว่าป่าแถบนี้เนี่ย อุดมสมบูรณ์เพราะว่าช้างตัวหนึ่งเนี่ยนะมันกินหญ้าเนี่ยกินอาหารเนี่ยวันหนึ่งนี่ก็หลายร้อยกิโลเพราะน้ำเนี่ยมันก็กินไป200รอลิตรเข้าไปแล้วสองอลิตรนี่ก็เท่ากับถังน้ำมันเนี่ยสองถังนะงั้นป่าเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารมากพอที่จะเลี้ยงมันแล้วก็เพื่อนได้เนี่ยสีห้าตัวแต่ว่า ทางฝูงเนี่ยหายไปไหนหายไปเพราะอะไรเนี่ยเรารู้ไหมหายไปเพราะว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยถูกถางกลายเป็นไร่ครอโพธตอนนั้นไร่สำปันหลังยังไม่ทันมาบางทีก็มีไร่เดือยมีชาวบ้านนี่มาอยู่อาศัยมากขึ้นที่อยู่อาศัยของชามก็ค่อยหดหายไป มันก็เลยมากระจุกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยูที่สุกโตเนี่ยแหละเพราะว่าทำเลดีนะเป็นที่สูงแต่เช้าวันนี้มันก็ต้องออกหากินทุกวันนะและพออาหารธรรมชาติไม่เหลือเนี่ยมันก็ต้องมากินอาหารที่ชาว บ, บ้านเนี่ยปลูกก็คือพอมีข้อโพดนะออกฝักเนี่ยนะแถวเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณเนี่ยนะ แต่ก่อนมันเป็นไร่ข้าวโพดไร่าชาวบ้านเป็นที่ของชาวบ้านนะชาวบ้านก็ปลูกข้าวโพดปลูกพวกเดือยพวกนี้ช้างก็ลงมากินตัวลังลงมากินบ่อยเข้าบ่อยเข้าชาวบ้านทนไม่ไหวชาวบ้านทํายังไงชาวบ้านเอาปืนยิงไล่ช้าง บอกว่ามีช้างตัวหนึ่งถูกยิงแล้วก็โดนจุดที่สำคัญเลยแต่ไม่ถึงกับตายทีเดียวบอกว่าช้างที่เป็นเพื่อ น, เ, อนเนี่ยมาช่วยช่วยยังไงรู้ไหมช่วยกันหนีบหนีบสองข้างพยุงช้างเนี่ยตัวที่บาดเจ็บเนี่ยหายเข้าไปในป่าลึกโ็ช้างนี่มันช่วยกันนะ มันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากช้างสองตัวเนี่ยหนีบช้างตัวที่เจ็บป่วยหรือเจ็บที่บาดเจ็บเนี่ยซึ่งเดินไม่ค่อยไหวเนี่ยถ้าเป็นคนก็เหมือนกับว่ามีคนมาช่วยพยุงปีกสองข้างแต่ว่าช้างนี่มันมันไม่สามารถจะพะยุงเพื่อนได้มันก็แค่ใช้วิธีการหนีบหนีบแน่นๆนะสองข้าง ให้เพื่อนที่บาดเจ็บเนี่ยค่อยๆเดินชาวบ้านบอกว่าเนี่ยนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นช้างแถวเนี้ยแล้วชาวบ้านก็ไม่พบซากศพของช้างตัวนั้นก็เข้าใจว่าคงจะพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่าก็เป็นไปได้อาจจะไปแถวสะพุงเหนือก็ได้เพราะว่ามันใกล้ที่สุดน ถ้าไปเเค่รักษาพัสัตว์ปากภูกเขียวนี่มันมันไกลนะเป็นร้อยกิโลแต่ถ้าไปสพัพพงเหนือนี่มันใกล้กว่าไอ้ช้างที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยที่มีบางคนบอกเห็นช้างใช่ไหมเห็นหรือว่าเห็นรอยเนี่ยนะอาจจะเป็นลูกหลานของช้างกลุ่มนี้ก็ได้แต่เมื่อมีช้างบางตัวนะที่ชิ้งซากเอาไว้เนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยเล่าเคยเห็นกระโหลกช้างเนี่ย ตรงหอไตรหอไตรเก่าก่อนที่จะย้ายมาตรงนี้เห็นกระโหลกช้างนึกเสดายนะไม่เก็บเอาไว้มันอยู่ข้างทาง้วก็ปล่อยมันไปวันดีคืนดีไม่รู้ใครเอาไปสงสัยไปทาไปทาพักเครื่องไปบดเอาทำพักเครื่องเพราะว่าขลังดีนเนี่ยเสดายนะถ้าเก็บรักษากระโหลกช้างนั้นเอาไว้มันก็จะเป็น หลักฐานพยานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสุกโตเนี่ยเคยเป็นถินอาศัยของช้างอ๋อเขาก็ก็รู้แต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาต้องทํามา ก, กินเพราะว่าถ้าช้างเนี่ยมันกินข้าพวกเขาหมดเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกนะเขาก็เลยคงต้อง ทำอย่างนั้นแหละเขาก็ร่วมมันไม่ดีคราว น, นี้หอไตเนี่ยนะมันยังมีความสำคัญอย่างหนึ่งนะโดยส่วนตัวของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยขึ้นมาที่นี่ครั้งแรกนนะ 2, 6, เนี่ยนะปีสองหกเนี่ยพักที่เนี่ยพักที่หอไตหอไตเก่านะอยู่บนเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ท่านตลอดพรรษาเลย แต่ว่าตอนที่มาอยู่ข้างแรกนี่นะรู้สึกผิดหวังนะหลวงพ่อจัดให้มาอยู่หอไตเนี่ยผิดหวังพ่ออนะไรผิดหวังเพราะว่าคิดว่าเนี่ยจะได้อยู่กุติเป็นส่วนตัวอยากจะมีกุติส่วนตัวจะได้ภาวนาแต่ปก ว, ว่าไอ ห, หอไต่เนี่ยต้องอยู่กับโยมอีกคนหนึ่งมาด้วยกันนะ ที่จริงเนี่ยหอไตตอนนั้นเนี่ยก็มีการตีฝามีห้องยาเป็นสัดส่วนนะหลวงพ่อก็อยู่ในห้องนั้นแหละไม่ได้ปาบปนกับโยมแต่ว่าความคาดหวังตอนนั้นเนี่ยอยากได้กุติเป็นส่วนตัวนะจะได้อยู่วิเวกภาวนางนั้นตอนที่มาอยู่เนี่ยใหม่ๆก็รู้สึกไม่ถูกใจ ทั้งๆ ท, ที่เป็นเสนาสนะหรือสถานที่ที่สบายมากนะเพราะว่ากุตติของภาพรูป อ, อื่นๆเนี่ยนะเล็กหลังคาก็เป็นสังกะสีแต่ง่ายๆหลวงพ่อคง์หนึ่งอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่อยู่ในเพิงนะหลวงพ่อคำเขียนเนี่ย ให้หลวงพ่อเนี่ยซึ่งตอนนั้นอายุแค่26เนี่ยมาอยู่หอไตที่จริงก็ถือว่ารู้อะไรทีเดียวนะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจไปคาดหวังว่าเราต้องมีกุติเป็นส่วนตัวพอมาอยู่หอไตก็เลยผิดหวังนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปมันก็คุ้น จริงเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยจะให้เจออะไรที่ถูกใจเนี่ยไปเสือมดนี่มันเป็นไปไม่ได้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องเจออะไรที่ไม่ถูกใจบ้างเวลาเราเจออะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยถ้าเราบน่นโวยวายตีโพยตีพายมันก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเราเพียงแต่ทำใจนะมันก็หายทุกข์ อยู่ไปอยู่ไปมันก็ชินไปเองเวลาเราเจองานบางอย่างที่เราไม่ชอบเราก็จะบน่นเราจะบน่นไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่พอเราปรับใจสังใหม่เอบอกว่าไหวไหวไหวพอใจบอกว่าไหวนะเออมันหายทุกเลยนะไอ้งานเนี่ยมันจะยากหรือไม่มันอยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่ไหวใจบอกไม่ไหวมันก็ทุกข์แต่ถ้าใจบอกว่าไหวมันก็หายทุกข์เพอเพอมีความสุขด้วยไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่แค่งานที่เราไม่ไม่ชอบไม่ถูกใจนะบางทีเราเจอคนที่ไม่ถูกใจด้วยในชีวิตเราเนี่ยต้องเจอคนที่ไม่ถูกใจจนตลอดชีวิตเลยนะไอ้นคนที่ถูกใจมันก็มีนะแต่ที่ไม่ถูกใจก็เยอะ และบางทีไม่ใช่แค่ไม่ถูกใจเองเดียวนะเขาทำอะไรไม่ถูกต้องด้วยนะเขาจะทำอะไรที่รบกวนไม่ใช่รบกวนใครรบกวนเราเนี่ยบางทีทำใจเดียวไม่พอนะเราต้องทำอะไรสักอย่างเจอคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องหรือพูดแต่อะไรไม่ถูกใจเนี่ย บางครั้งแค่ทําใจเนี่ยอาจจะไม่พอมันต้องทําอะไรสักอย่างแต่เราจะทําอะไรบางคนก็นึกถึงว่าเนี่ยมันก็ต้องต่อว่าด่าทอกันเขาแกล้งเราเราก็ต้องตอบโต้มันมีสำนวน ว, นว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเขาแกล้งเราเราก็อเอาคืนนะเขาว่าเราเราก็ต้องดา่า ตอบโต้กลับไปแต่ว่าพิธีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่ายิ่งทำเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็ยิ่งตอบโต้รุนแรงแล้วเราจะทำยังไงนะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็อาจจะถูกแกล้งหรือว่าเจออะไรที่ไม่ถูกต้องนะจากคนที่ ทำตัวไม่ถูกใจเนี่ ย, ยผูชายคนหนึ่งนะแกไปเปิดร้านขายของแถวจตุจักรพวกเราเคยไปใช่ไหมจตุจักรอะ่ะไม่เคยใช่ไหมเออแต่เคยได้ยินใช่ไหมจตุจักรนี่กขาขายหลายๆอย่าง อ, อลองไปสังเกตดูนมันจะมี เป็นย้านขายของที่มีชื่อมากเขาเพิ่งเปิดร้านขายของที่จตุจักรได้ไม่กี่วันปรกว่าวันนึงเนี่ยก็โดนโดนรับน้องใหม่เลยรู้จักมารับน้องใหม่เนี่ยร้านข้างๆร้านที่ติดกันเนี่ยเขาขายภาพขายรูปชายคนนั้นบอกว่าเนี่ยพอก็เปิดร้านเนี่ย สมมุติชายคนนี้ชื่อว่าแก้วก็แล้วกันนะแก้วนี่พอเปิดร้านเนี่ยปรากฏว่าไปเจอรูปของร้านอีกอีกร้านหนึ่งที่ติด ก, กันเนี่ยเขาวางรูปเนี่ยเป็นรูปภาพใหญ่เลยนะมาวางไว้นานร้านแล้วก็วางรูปนั้นเนี่ยมาบาังร้านเขาด้วยนะบังร้านเขาเนี่ย แค่บางครึ่งหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะเขาไม่มีสิทธิ์จะเอารูปเนี่ยหรือสินค้ามาบางร้านเขาเขาก็เรู้เลยว่าเนี่ยชายคนเนี้ยต้องการแกล้งเขาก็บอกเขาจะทํำยังไงดีนะเข้าไปต่อว่าด่าทอเดี๋ยวก็เกิดเรื่องยืดยาวอาจจะต้องถึงขั้นต่อยตีกัน และการที่คนเราเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูกันนี่มันไม่ดีเลยชีวิตไม่มีความสุขเขาก็เลยไม่คิดที่จะไปต่อว่าด่าทอหรือไปทะเลาะด้วยแล้วก็ทำยังไง ร, รู้ไหมวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาออกไปที่ออกไปข้างนอกนันแล้วก็เขาก็ไปซื้อ ส้มกับองุ่น2กิโลจัตุจั่งเนี่ยมันมีร้านขายผลไม้ดีๆเยอะก็ไปซื้อส้มแล้วองุ่นมา2กิโลแล้วก็ตรงมาที่ร้านที่เป็นเพื่อนบ้านทักทายเจ้าของร้านสวัสดีครับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมไปห้องน้ําเข้าไปห้องน้ํามาเพลินเจอ ร้านขายผลไม้เห็นผลไม้น่ากินก็เลยซื้อมาซื้อมาฝากพี่อนะเพราะเห็นผลไม้มันน่าทานแล้วคิดว่าพี่เนี่ยคงชอบผลไม้ด้วยชายคนนั้นนะสีหน้านี่งงเลยนะทั้งงงทั้งแปลกใจแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเกรงใจพี่ แต่แก้วนี่ก็บอกไม่ต้องเกรงใจแล้วกรพี่เราค้าขายอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันนะมีอะไรก็ช่วยกันเอื้อเฟื้อกันเพราะว่าพอเอาผลไม้มาให้นะคุยกันดีดีเลยเหมือนกันรู้จักกันมานานเสร็จแล้วเขาก็กลับไปที่ร้านของเขาขายของต่อ พอรุ่งคืนเนี่ยพอเขาเปิดร้านบอ ก, กับว่าไอ้รูปที่เคยบางร้านเขาเนี่ยมันหายไปล้วเขก็เลยเดินไปถามเจ้าของร้านที่อยู่ติด ก, กันว่าพี่ไอ้ภาพที่วางไว้หน้าร้านนี่ขายได้แล้วเหรอชายนั้นบอกว่ายังขายไม่ได้หรอกนะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในร้านผมเอาไว้ในร้าน เอาพี่ทำไมไม่เอาไปวางไว้หน้าร้านเหมือนเมื่อวานนี้ล่ะชายนนั้นก็บอกว่าวางไว้ตรงหน้าร้านเนี่ยมันไม่ดีเกงใจเฮียวางไว้ในร้า น, นอ่ะดีแล้วเพราะถ้าวางไว้หน้าร้านเนี่ยมันจะไปปิดบังร้านของเฮียเวลาลูกค้า ของเฮยมาซื้อสินค้าก็จะไม่เห็นวอลทงนั้นเนี่ยคือออยตรงหน้าร้านเฮียเนี่ยมันน่าเกลียดเอาไว้ข้างในดีละเพราะก็ว่าชายคนนั้นเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยที่คิดจะรับน้องนะด้วยการเอาภาพนี้มาบางังหน้าร้านของแก้วนะเพราะว่าจาตุจักรเนี่ย ที่ทางเนี่ยมันคับแคบนะถ้าบางล้านคนอื่นได้ยิ่งดีแต่ว่าพอเจอน้ำใจของแก้วนะเอาผลไม้มาฝากเปลี่ยนใจเลยนะเดิมนี่คิดจะเอาเปลี่ยบเพื่อนบ้านแต่พอได้รับความเอื้อเฟื้อน้อ เ, เปลี่ยบไม่ลง เปลี่ยนใจเลยนะกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคอยช่วยเหลือกันทีนี้เราลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าแก้วนี้เขาไปทะเลาะกับเจ้าของร้านที่อยู่ติดกันเนี่ยนะว่าทำไมหรือเอารูปมาปิดบางร้านกูเราคิดดูได้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คงมีเรื่องทะเลาะกัน ไม่จบไม่สิ้นนะแต่แก้วนี้เขาเป็นคนฉลาดนะเขารู้ว่าการทะเลาะกันนี่มันไม่มีประโยชน์ความเอื้อเฟื้อการมีน้ำใจนี่ดีกว่ามันมีเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยนะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะแกลำคาญมากเลยเพราะว่า บ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยเขามีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่สูงสามสี่ชั้นแลวปรากว่าคนงานเนี่ยที่ก่อสร้างเนี่ยชอบโยนขยะลงมาลงมาที่ไหนลงมาที่สนามหญ้าของบ้านเขาเขาเคยไปบ่นไปว่า คนงานก็ไม่ได้ผลบ่นว่าคนงานไม่ได้ผลก็ไปบ่นว่าหัวหน้าช่างรับเหมาก็ไม่ได้ผลไปฟ้องตำรวจตำรวจมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตำรวจไปคราวนี้เจอหนักกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่เศษกระดาษบางทีเศษถุงพลาสติกโยลงมาก็าทำยังไงนะก็ไปรปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเนี่ยลองใช้วิธีนี้สิมีอะไรก็ไปให้เขาปีใหม่ก็เอาของไปให้เขานะตุ้ดจีนก็เอาขนมไปให้เขาอย่ผูมิกซกันเอาไว้ เช้วนั่นก็สงสัยว่ามันจะได้ผลเล้วขณะเรียกตำรวจยังไม่ได้ผลเลยแต่ว่าลองทำดูทวนน้นใก้ปีใหม่พอดีก็เอาขนมเอาผลไม้ไปให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนะพอตุดจีนก็เอาของเอาขนมไปให้ปรากฏว่าไม่นานนะ พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะข ย, กยอะกขยเออะไรที่เคยทิ้งลงมานี่ไม่มีเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าเกรงใจเกรงใจนะคนเราพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็เกรงใจกันไอตอนที่ไม่เป็นเพื่อนกันนี่มันไม่เกรงใจนะทังใจคนนั้นก็เลยพบว่าโอ๊ยปัญหานี้เนี่ย ถ้าเราใช้นะความเอื้อเฟื้อกายมีน้ําใจนี่มันแก้ได้ดีกว่าเยอะเลยนี่และ ว, ว่าใช้ความเป็นมิตรนะในการแก้ปัญหาอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเวลามีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันหรือมีเรื่องขัดแย้งกันนะแม้กระทั่งเรื่องที่มัน ย, กยากๆเนี่ย อย่างเช่นเวลามีการเจราจาธุรกิจกันเนี่ยบางทีการมีน้ำใจเ อ, อฟเฟื้อเฟือนี่มันให้ผลดีกว่านะมีข้าราชการคนหนึ่งนะเป็นอธิบดีกรมการบินพาณิชย์แกได้รับหน้าที่เนี่ยให้ไปเจราจากับพม่า เรื่องเส้นทางบินคือไทยเนี่ยนะต้องการเปิดเส้นทางใหม่ไปพมา่าอธิบดีคนนี้เขชื่อรุ่งโรจน์นะก็ทาหน้าที่เป็นตัวแทนไปเจราจากับทางฝ่ายพมา่าแต่เจราจาทีไรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะว่า พอไทยขอพอมา่าเปิดเส้นทางใหม่พม่า ก, ก็จะขอไทยนะเปิดเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเราขอเขา1เส้นทางเขาก็จะขอคืน1เส้นทางและการเจรจาเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอีกเวลาฝ่ายหนึ่งขออีกฝ่ายก็รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ ฉันขอแค่นี้ทำไมคุณมาขอมากกว่านี้นะเอาเปรียบเกินไปเลยคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าคุณลุงโรจเนี่ยซึ่งเม็ที่ ป, ป, ปรึกรากงการบินาพาณิช์เนี่ยแกก็สังเกตนะเวลาประชุมแต่ละครั้งเจรจาแต่ละครั้งเนี่ยมันมักจะเริ่มต้นด้วยการขอเพราะฉันขอ อีกฝานึงก็ขอมัง่งแล้วพอถูกขออีกฝ่าก็รู้สึกระแวงคุยกันไม่รู้เรื่องหลังจากก็เลยเปลี่ยนหมายว่าแทนที่จะเริ่มต้นด้วยการขอทำไมไม่เริ่มต้นด้วยการให้นะเพราะเริ่มเปิดเจรจาใหม่เนี่ยแกก็บอกพอมาเลยนะว่า ฝ่ายไทยจะให้เส้นทางบินกับพมา่าเส้นทางไหนบ้างเพราะว่าตัวส า, ารพม่านี่ตั้งหลักไม่ทันนะเจอไมนีเข้าไปไม่เป็นนะบอกขอเบรกก่อนกลับไปตั้งหลักนะเพราะไม่คิดว่าฝ่ายไทยนี่จะมาไมนีนะคือแทนที่จะขอนั่นขอนี่กับเริ่มต้นออกปากว่าจะให้นั่นให้นี่ พอกรรมเจรจาหมายทางพ่มากขบอกว่าจะให้เส้นทางนี้เส้นทางนั้นกลายเป็นว่าเจรจานี้ลาบลืนเลยนะเจรจานี้ลาบลืมลาบลืนเพราะว่าแทนที่จะขอเปลี่ยนมาเป็นการให้พอถ้าเราขอหนึ่งบางทีเ็าอาจจะขอสองแต่พอเราให้ให้หนึ่งเนี่ยบางทีเขาให้สองนะ นันการให้นี่มันมันมีมันมีพลังนะเรามม่คิดว่าการให้นี่คือการขาดทุนแต่การให้นี่มันอาจจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นอาจจะทำให้ได้มากกว่าที่คิดก็ได้และถ้าเรารู้จังให้นะ มันก็สามารถจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้นะมันมีนักสร้างหนังคนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้มีชื่อมากนะแต่ว่าไม่รู้เนเนี่ยจะรู้จักหรือเปล่า น, นะสตีเฟนสปิลเบิร์กนรู้จักไหสร้างหนังด้วยออทีอะสมัยหลวงพ่ อ, อยังเด็กเนี่ยที ET เนี่ยดังมากเลยเพียงสร้างหนังอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเนรอนะจะไม่ได้ดู เขาเล่าว่าตอนที่เขายุสิบามนี่นะเขาไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีขายใหญ่ชอบแกล้งเขาขายใหญ่หน่าอายุประมาณสิบเจดชอบแกล้งชอบตีหัวชอบขโมยขนมก็กินไม่อยากไปโรงเรียนเลยไปรงเรียนเหมือนกันนรกแต่วันหนึ่งเนี่ยเขามีความคิดหนึ่งขึ้นมา เขาไปโรงเรียนแล้วก็ไปหาขายใหญ่คนนี้แล้วบอกว่าตอนนี้เขากําลังจะทําหนังเรื่องหนึ่งเขาชอบทําหนังตั้งแต่อายุสินะได้กล้อง8ปมิลมาซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนะไม่ได้ให้พ่อซื้อให้แล้วเขาบอกเขากําลังจะทําหนังเรื่องตามล่านาซนีนะขาดพระเอก ก็เลยถามขายใหญ่คนนั้นว่าเนี่ยจะมาเป็นพระเอกให้ฉันได้ไหมไอ้นั่นที่แรก ง, งงนะจะมาไหมไหนนะเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งแกล้งแกหยกหย ก, ยกตอนนี้วันนี้แกจะมาขอให้ฉันมาเป็นพระเอกแกก็ยอมนะยอมเป็นพระเอกนะก็เป็นอาว่าถ่ายทําหนังจนเสร็จนะหนังสั้นๆไม่กี่นาที10นาทีได้แต่ว่าพอทําหนังเสร็จนะปรากฏว่า ไอ้ขายใหญ่คนนั้นนะกลายเป็นเพื่อนสนิทของสปิลเบิร์กไปเลยที่เคยแก้งนี่ก็เลิกแก้งคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองสปิลเบิร์กจากเคยเป็นคนที่ชอบลังแกงนี่กลายเป็นมิตรนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประทับใจนะซาบซึ้งใจที่สปิลเบิร์กเนี่ยให้โอกาสเขา เพราะว่าขายใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เกเรเพราะว่าใครๆก็ดูถูกเรียนหนังสือก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่สําเร็จนิสัยก็ไม่ดีก็เลยไม่มีใครชอบขายใหญ่นี่แกก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าฉันเนี่ยเด่นทางดีไม่ได้ฉันก็ขอเด่นทางชั่วแล้วกันแล้วพวกเราจะเคยเจอ นะคนแบบนี้นะนะคนที่ชอบแจ้งเพื่อนนะ่นะเขาจ้างเพื่อนนี่ไม่ใช่เพราะว่านิสัยเขาเลวเป็นส่วนตัวเลวโดยธาตแทนนะแต่เพราะว่าเขามีความทุกข์บางอย่างเขาไม่ได้รับการยอมรับพวกนี้มักจะเรียนไม่เก่งนะบางทีก็ถูกพ่อแม่ชอบดุชอบด่าแต่พอเจอสปิลเบิร์กนี่โอ้สปลเบิร์กนี่ให้โอกาสเขา แล้อกาสกาทำสิ่งดีๆได้เป็นพระเอกมันก็เป็นการชดเชยนะปลอมบางอย่างผลสุดท้ายเนี่ยนะเขาก็เลยซาบซึ้งใจสปิลเบิร์กมากแล้วก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีของสปิลเบิร์กไปหลังจากคนที่ชอบรังแกเขานี่กลายเป็นเพื่อนที่คอยปกป้องเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าสปิลเบิร์กเนี่ยมีน้ำใจ เรียกว่าชนะใจเขาชนะใจด้วยอะชนะใจด้วยการให้คนเรามักคิดว่าจะต้องชนะด้วยการใช้กําลังใช้ความรุนแรงแล้พวกเรารู้จักอับราฮัมลินคอนไหมฮ ะ, อ, ะอับราฮัมลินคอนเป็นใครประธานธิบดีอเมริกาเมื่อร้อยปีที่แล้วฮะเออเขาพูดประโยชน์2ประโยชน์ที่น่าสนใจเขาบอกว่าวิธีกําจัดศัตรูที่ดีที่สุดก็คือทําให้เป็นมิตร นะการกำจัดศัตรูที่ดีสุดคือทำให้เป็นมิตรทำให้เป็นเพื่อนถ้าเราทำให้ศัตรูเป็นเพื่อนศัตรูก็จะไม่มารบกวัวรังควาเลยละเพราะเ ข, เขากลายเป็นเพื่อนไปสุดละแล้วจะทำให้เป็นเพื่อนได้งไงนะทำเป็นเพื่อนด้วยการมีน้ำใจนะให้นะเอื้อเฟื้อดังนั้นะเรานะลองมารู้จักกับวิธีชนะใจแบบนี้บ้างชนะใจด้วยการให้ นะนะลองทําดูแทนที่จะชนะด้วยการด่าชนะด้วยการใช้กำปั้นชนะด้วยการยกพวกรวมตีกันเนี่ยชนะด้วยการให้ดีกว่าเพราะนี่คือการชนะที่ถูกต้องอันนี้พู้เจ้าก็สอนไว้นะชนะความช่วยด้วยความดีนะชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธนะพวกเราเนี่ยเป็นสามเณรเนี่ยต้องฝึกการชนะด้วยวิธีนี้บ้าง